เพื่อที่จะต้องออกเดินทางต่อไปในอนาคตเพราะว่าชีวิตของพวกเรานั้นจะต้องมีวันสิ้นสุดลงคือร่างกายของพวกเรานี้จะต้องตายแต่ตัวพวกเรานี้คือใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เวลาที่ร่างกายตายไปพวกเราก็จะต้องออกเดินทางกันพวกเราก็จะต้องเดินทางในโลกทิพย์กันและการที่จะเดินทางไปในสถานที่ต่างๆในโลกทิพย์มันก็เป็นเหมือนกับการเดินทางไปตามประเทศต่างๆซึ่งก็จะต้องมีการเตรียมการเอาไว้ ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันไปประเทศหนึ่งเราก็ต้องมีหนังสือเดินทางมีวีซ่ามีใบอนุญาตให้เข้าประเทศเขาแล้วก็ต้องมีเงินตราของประเทศนั้นเราถึงจะสามารถที่จะเข้าอยู่ประเทศนั้นได้อย่างสุขอย่างสบาย ถ้าเราไม่มีการเตรียมการไว้ก่อนถูกบังคับให้ออกจากประเทศไปอย่างฉุกละหุกเราก็อาจจะไปแบบผู้ที่อบายภยเวลาที่มีสงครามมีภาวะที่จะต้องมีการหนีภัยกันถ้าเราไม่มีการเตรียมการไว้เช่นไม่มี หนังสือเดินทางไม่มีวีซ่าไม่มีตั๋วเครื่องบินไม่มีเงินทองติดตัวไปเราก็จะต้องไปแบบผู้อพยพไปอยู่ตามค่ายกักกันหรือพวกบางพวกก็ต้องลงเรือล่ อ, ลองลอยในทะเลแล้วก็ไปตายเอาในดาบหน้าไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหน แห่งหนตมณฑใดเพราะว่าไปถึงประเทศใดเขาก็จะไม่ให้เข้าเพราะว่าเราไม่มีหนังสือเดินทางไม่มีเอกสารไม่มีวีซ่าที่เขาจะรับให้เราเข้าประเทศเขาไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายในประเทศเขาเขาก็อาจจะต้องจับเราไปอยู่ตามค่ายออาไยก รอให้องค์กรสาประช า, ชาติมาเคลียร์ปัญหาให้ช่วงนั้นเราก็จะอยู่กันแบบขอทานอยู่แบบยากจนนี่เป็นเหตุที่ถ้าเราไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนแต่ถ้าเราเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนเรารู้ว่าวันข้างหน้าบ้านเมืองเราจะต้องมีปัญหามีภัย ที่ทำให้เราอยู่ไม่ได้เราก็เตรียมนาเตรียมทำหนังสือเดินทางไว้ก่อนเตรียมขอวีซ่าที่จะไปอยู่ประเทศไหนเตรียมเงินทองของประเทศนั้นเอาไว้เตรียมทรัพย์สินไม่มีเงินทองก็เตรียมทองคำเตรียมอของที่มีค่าเพ่นนินจินดาเอาไว้ติดตัว ถึงเวลาที่จะต้องรีบออกนอกประเทศเราก็จะได้ไปอย่างสะดวกสบายขึ้นเครื่องไปไปถึงประเทศเขาก็เปิดประตูรับให้เราเข้าอยู่ไปในประเทศเขาได้ <c oughs> ฉนันใดใจของพวกเราก็เป็นเหมือนกับคนที่ต้องโยกย้ายแผ่น ที่อยู่อาศัยจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งหลังจากที่ร่างกายไปแล้วเราตายไปแล้วนี่ใจเราก็ต้องออกเดินทางไปสู่ประเทศต่างๆในโลกทิศย์ฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราอยากจะไปอยู่ประเทศไหนในโลกทิศย์เราก็ต้องมีการเตรียมการเพราะว่า ในแต่ละประเทศในโลกทิพย์ก็ต้องมีมีมีเหมือนกับวีซ่ามีใบอนุญาตให้เข้าอยู่ประเทศของเขาแล้วก็ต้องมีเงินตรามีเงินทองไว้สําหรับใช้จ่ายนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องโกหกก็ได้ เราคิดว่าคนเราก็มีแค่ร่างกายนี้เท่านั้น <c oughs> เมื่อร่างกายตายไปแล้วมันก็จบใครไปไหนต่อนะเพราะว่าเรามองไม่เห็นใจของพวกเรามองไม่เห็นดวงวิญญาณของพวกเราเราก็คิดว่าใจของเราก็คือสมองอความคิดของเราก็มาจากสมองเวลา ร่างกายตายไปความคิดก็หยุดคิดไปเพราะสมองตายไปท่านั้นเองไอเรื่องที่จะไปท่องเที่ยวไป ย, วย้ายไปอยู่อีกประเทศหนึ่งในโลกทิพนั้นก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องงมงายก็ได้อันนี้ก็มีสิทธิที่จะคิดได้แต่ความเป็นจริงทีพ่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ได้พิสูจน์กันแล้วท่านเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายกับใจนั้นเป็นคนละคนกัน mm hmm. ร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟมีอาการสามสิบสองเช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทังเกิด ไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำเสลน้ำดีน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหงื่อน้ำตาน้ำมันข้นน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมูดน้ำคูดเนี่ยคือสิ่งที่ เป็นส่วนประกอบของร่างกายส่วนนี้เรามองเห็นกันทุกคนรู้กันอยู่ทุกคนแต่ไม่มีในร่างกายนี้ไม่มีใจใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจอยู่ในโลกทิศแต่ตอนนี้มาเกาะติดอยู่กับร่างกายจึงอยู่จึงเหมือนกับอยู่ในโลกของร่างกายไปไหนมาไหนไปกับร่างกายให้ร่างกายพาไป ตอนนี้อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขใจอยากจะดูอยากจะมีความสุขจากการดูการฟังการกินการดื่มก็ใช้ร่างกายพาไปอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ใช้ร่างกายพาไปได้อยู่อย่างมีความสุขได้แต่พอวันใดวันหนึ่งร่างกายนั้นหมดสภาพ ไม่สามารถทาหน้าที่ของร่างกายได้เพราะนั้นใจก็ไม่สามารถที่จะอยู่ตอ่ออยู่กับร่างกายได้ก็ อ, อาจจะต้องมีการแยกทางกันเวลาที่ร่างกายหมดลมหายใจก็จะเกิดการแยกทางระหว่างกายกับใจใจก็จะกลับเข้าสู่โลกทิตใจก็จะ ต้องไปท่องเที่ยวหรือไปอยู่ตามที่ต่างๆในโลกทิพย์ขึ้นอยู่กับว่ามีกำลังที่จะไปอยู่ในจุดไหนแห่งใดในโลกทิพย์นี้ก็มีทั้งโซนที่มีความสุขกับโซนที่มีความทุกข์ก็คือคุกตาราง ในโลกคลิปนี้ก็เหมือนกับโลกของมนุษย์เรานี่มีที่ <c oughs> มีโซนที่มีความสุขและมีโซนที่มีความทุกข์โซนที่มีความทุขกข์ก็คือคุกตารางต่างๆนี่เองเรือนจําสถานที่กักกันคนที่ทําผิดกฎหมายต่างๆ ก็จะถูกไปกักขังไว้ในเรือนจําในคุกในตารางส่วนคนที่ไม่ได้ทำผิดกฎหมาย <c oughs> ก็จะอยู่นอกเรือนจํา <c oughs> ก็จะอยู่ในหลายฐานะด้วยกันอยู่ในฐานะแบบร่ำรวยเป็นหมหาเศรษฐีก็มีอยู่แบบคนขอทานก็มีเึ <c oughs> ้นอยู่กับความสามารถในการที่จะหาเงินหาทอง มาเลี้ยงดูตนเองในโลกคิดก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเวลาที่ไม่มีร่างกายใจก็จะต้องอยู่ในโลกคิดจะอยู่ในส่วนไหนของโลกคิดก็อยู่ที่การกระทําของใจเองถ้าใจไปทําผิดใจก็จะต้องไปติดทุกข์ติดตาราง มีคุกตารางอยู่ในโลกชีวิตแต่ถ้าใจไปทําความดีไปหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่จะใช้ในโลกชีวิตก็จะอยู่อย่างเศษสีอยู่อย่างม้าเศษสีถ้าหามากก็จะเป็นเศษสีมากหาได้มากหาได้น้อยก็เป็นเศษสีน้อย หรือถ้าไม่ได้หาเลยก็จะเป็นขอทานอยู่แบบขอทานอยู่แบบยากจนนี่คือสิ่งที่จะตามมาต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแนละ้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าและพระอานันตสาวกทั้งหลายเถิดท่านไม่เอาเวลาของท่านมานั่งโกหกเราให้เสียเวลาหรอก ท่านไม่ได้อะไรจากการโกรหกพวกเรานละก็ไม่ได้อะไรจากการนําพูดความจริงให้กับพวกเราแต่เนื่องจากว่าท่านมีจิตใจที่สูงส่งท่านมีความเมตตากรุณาท่านเห็นพวกเรานี้ยังเป็นพวกมืดบอดอยู่นะถ้าไม่ได้รับความรู้พวกเราก็จะ อยู่อย่างทุกข์ยากลำบากเวลาที่น่างตายม่ตายไป <c oughs> ท่านจึงเสียสละเวลาของท่านมาเอาความจริงมาเผยแผ่มาสั่งสอนมาบอกให้พวกเรารู้ว่าพวกเรานี้เป็นใครกันแน่และจะทำจะเป็นอะไรต่อไปจะต้องทำอะไรกันต่อไป พวกเราไม่ได้เป็นร่างกายกเราเป็นใจที่มาครอบครองร่างกายเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายพาเราไปทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้ใจของเราก็สั่งให้ร่างกายพาพวกเรามาที่วัดใหนมาทำบุญมาทาทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาภาวนากัน อันนี้ก็เป็นผู้ใจเป็นผู้สั่งร่างกายนี้ไม่มีความคิดในตัวของมันเองเสดาที่ร่างกายตายนีใจไม่ได้อยู่กับร่างกายเลยไม่มีใครสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายก็นอนอยู่เฉยเฉยไม่ขยับขยื่นทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีคนสั่งให้ทำอะไร เพราะคนสั่งตาคนรับคำสั่งนั้นแยกทางกันไปแล้วไม่ได้อยู่ร่วมกันใจหลังจากที่ร่างกายตายไปก็จะไปอยู่โซนต่างๆของในโลกทิพนิขึ้นอยู่กับว่าได้เตรียมการอย่างไรไว้บ้าง <Yeah. S 1> ถ้ามีการเตรียมการถึงเวลาก็จะไปอยู่ตามสถานที่ที่ต้องการได้ yeah. ถ้าไม่ได้เตรียมการก็จะไปอยู่ในสัอยู่ในสภาพแบบขอทานแบบไม่มีที่มาที่ไป น, นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนหลังจากที่ร่างกายของพวกเรานี้ตายไปยพวกเราจะต้องไปท่องเที่ยวกันในโลกทิพย์ จะท่องเที่ยวแบบสุขแบบสบายหรือแบบทุกข์ยากลําบากก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมการของเราในบัดนี้สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนสิ่งแรกที่พวกเราให้เตรียมการกันก็คือให้เราละการกระทําบาปทั้งปวงเนี่ยคำสอนของพระุเจ้านี้มีสามระดับด้วยกันระดับแรกให้ละการกระทําบาปทั้งปวง อลดับที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมระดับที่สาม <c oughs> ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก <c oughs> จำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจ <c oughs> เพราะว่าการกระทำเหล่านี้จะทำให้เราไปอยู่ในโลกทที่มีแต่ความสุข ตามลำดับของการปฏิบัติจะไม่ต้องไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์เพราะการไม่กระทําบาปทั้งสวงนี้เองที่จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้ดวงวิญญาณของพวกเราเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะต้องไปติดคุกตารางในโลกทิพย์ในโลกทิพย์นี้ก็มีคุกตารางอยู่สี่ส สี่สสชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่าเดลชาญคือไปไปเกิดเป็นสัตว์เดลาชานต่างๆชนิดที่สองเรียกว่าเปรตไปอยู่บนดวงจางที่หิวโหยดวงวิญญาณที่หิวโหวยชนิดที่สามเรียกว่าอาสุ ร, รกายเป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ด้วยความหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆ และสถานที่ที่สี่ก็คือนรกเป็นที่อยู่ของดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตแค้นเกียดแค้นอาฆาตทยาบาทการที่ไปอยู่ในสถานที่เหล่านี้นั้นเกิดจากการกระทาบาปสี่ชนิดด้วยกัน หมายถึงว่าทํำบาปถ้าทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าจะมีผลตามมาทำทำไปเพราะเพื่อความอยู่รอดทําไปเพื่อเลี้ยงดูชีวิตถ้าถ้าผู้อื่นถ้าเช่นยิงนกตกปลาจับปลามากินค่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเอามาเลี้ยงชีพอย่างนี้ ก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานดวงวิญญาณเวลาไปเกิดก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาลด้วยความโลภด้วยความอยากได้อะไรมากๆทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องทำแต่อยากได้อยากมีอยากล่ามอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโต ก็ทำบาปด้วยความโลภ ก, mm hmm. การทำบาบด้วยความโลภนี้ mm hmm. ก็จะทําให้เป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวย mm hmm. ที่เรียกว่าเปรต ถ, mm hmm. ถ้าทําบาปด้วยความกลัว mm hmm. กลัวว่าจะถูกเขามาทําร้ายเรา mm hmm. เราก็เลยไปทําร้ายเขาก่อนอ mm hmm. อันนี้ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว เรียกว่าอสุลกายแล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทใครมาทำร้ายเราเราก็ต้องล้างแค้นจองเวรจองกรรมกันตาต่อตาฟันต่อฟันอันนี้ก็จะทำให้เป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทเรียกว่านรกอันนี่คือสถานสี่ที่ด้วยกันที่ไป เนื่องจากการทำบาบด้วยสาเหตุที่ไม่เหมือนกันทำบาบด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นสัตว์เบลฉานทำบาบด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทำบาบด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุรกายทำบาบด้วยความมาคาาปยาบาทก็ไปนรกเราสามารถปิดประตูอบายได้ สถานสี่ที่เราเรียกว่าอบายวิธีปิดประตูอบายก็คือไม่กระทำบาปไม่สร้างเหตุที่จะพาให้เราไปนั่นเองก็คือไม่ตีตัว๋วไม่ซื้อตัว๋วถ้าเราไม่ซื้อตั๋วไปที่สถานที่เหล่านั้นเวลาขึ้นรถรถเขาก็จะไม่พาเราไปสถานที่เหล่านั้นถ้าเราไปขึ้นรถแล้วเขาดูตัว๋วเขาบอกว่าขาบวนนี้ไม่ได้ไปตามที่คุณมาตีตัว๋ว คุณก็ไม่ต้องไปพรบวญนี้พาจะไปอบายแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำบาปคุณไม่มีัวไม่สัวของคุณไม่มีที่จะพาให้คุณไปไปอบายได้อันนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปิดประตูอบายกันเพราะว่าอบายนี้ก็คือคุกตารางของของโลกทิพนี่เอง สามที่เป็นโลกทิศสถานที่สี่ก็เป็นโลกของสัตว์เบลฉานถ้าเราไม่ทำบาปข้าข้อนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่เดิมสุรายามาไม่เสพอบายยมุขต่างๆนอกจากสุราแล้วก็ไม่เสพไม่เล่นการพนันไม่เที่ยว ไม่เกียดข้าไม่คบคนที่ชอบอบายามุกเป็นโอกาสที่จะทำให้เราไปทําบาปก็ยากอบายามุกแปลว่าทางเข้าอบายมุกก็คือถวาวรทางเข้าออกเรียกว่ามุกถ้าเราไปเสพอบายามุกนี้เท่ากับเรากําลังไปยืนอยู่ที่หน้าทางเข้าอบายเพราะว่าการเสพอบายามุกจะทําให้เราไปทําบาปได้ง่ายเช่นเวลาเราดื่มสุรา แล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาเราจะควบคุมกายวาจาใจของเราไม่ได้เวลาเราจะคิดจะทําบาปนี้เราก็จะทําไปทันที mm hmm. แต่ถ้าเราไม่ได้เดินสุรายาเมาเวลาที่คิดจะทําบาปเราก็จะมีสติยับยั้งยับยั้งความคิดมัได้ยับยัง้งการกระทําได้ด mm hmm. ังนั้นอย่าเสพอบายามุข ไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุราก็ดีเล่นการพนันก็ดีการเที่ยวก็ดีการเที่ยวเตะก็ดีการเกียดค้านก็ดีการคบคนชอบอบายมุขก็ดีเพราะถ้าเราคบคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราคบคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันคบคนที่ชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยว คนที่ชอบความเกียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกียดค้าน<ม>ถ้ามีการเสพอบายามุกนี้ไม่ช้าก็เร็วเงินทองเราก็จะหมดพอเราเงินทองหมดเราก็ต้องไปหาเงินทองมาโดยวิธีการทำบาปเพราะวิธีที่ไม่ไม่ทำบาปมันหายากหายากถ้าหาได้น้อยพวกที่ไปทำบาปเป็นส่วนใหญ่ก็เพราะเป็นพวกที่ไปเสพอบายามุกกัน เล่นการพนันแล้วก็เป็นหนี้พนันนี่แร้อเดือสโซลาแล้วก็ติดติดติดโซลาเวล า, นานไม่มีเงินเดือสโซลาก็ต้องไปต้นไปจีบ <c oughs> นี่คืออบายมุขที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้ไปกระทำบาปอระุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราในเบื้องต้นนี้ให้เรามาปิดประตูอบายกัน เพื่อที่เวลาที่เราตายไปเราจะได้ไม่ต้องไปอบายกันนั่นเองไม่ต้องไปติดคุกติดกรงในโลกทิพย์กันไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นนรกกายไม่ต้องไปเป็นไปนรกกันและหลังจากที่ออกจากอบายก็จะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกันถ้าเรามีการรักษาศีล <ược. S 1> อย่างเข้งคัด ถ้าเรายังไม่เคยรักษาศีลเราก็ควรที่จะเริ่มรักษากันได้แล้วเ <Yeah. S 1> พราะเวลาเรามันเหลือน้อยแล้วน <Yeah. S 1> ชีวิตของเราใกล้เข้าไปอยู่เรื่อย <Yeah. S 1> ๆเมื่อก่อนนี้เราอาจจะไม่รู้เรื่องเรื่องอาบายเรื่องนรกเรื่องอะไรเหล่านี้หรือเราอาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเรา เริ่มมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่จะไปไปรับผลของบาปที่ทำไว้แต่มีอีกท่านหนึ่งที่จะต้องไปก็คือใจคือตัวเรานี่แหละตัวเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็อาจจะคิดว่าเราเป็นร่างกาย เมื่อร่างกายตายไปใครจะไปนรกใครจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอะไรเราก็จะไม่กลัวบาปกันถ้าเราคิดว่าเราเป็นร่างกายแต่พอเราได้มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมะคำสรรั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเจ้านายของร่างกายคือเราเป็นใจ ผู้รู้ผู้คิดเนี่ยผู้สั่งให้ร่างกายไปทําบุญทําบาปทาความดีทําความชั่วอะไรต่างๆเนี่ยผู้นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเนี่ยผู้นี้แหละที่จะเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปตามที่เราคงได้ได้สวดกันในฐานะชาวพุทธเราว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมนันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้ไปรับผลของบุญและบาปนั้น น, นั่นแหละผู้ที่ไปรับผลบุญและบาปนั้นนี่แหละก็คือใจใจคือเจ้านายของร่างกายใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอันนี้เป็นสัจธรรมความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรา แต่งกันขึ้นมากันเองไม่ได้เป็นนิยายมีผู้กระทาบาปจริงมีผู้กระทาบุญจริงและมีผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปจริงนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเราเชื่อกันเชื่อว่าเราเป็นใจเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้กระทาบุญและกระทาบา ถ้าเราจะต้องเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดังนั้นถ้าเราเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีสามหัวข้อใหญ่ๆนี้ท่านนั้นเองไม่ยากเย็นตรงไหนเลยก็คือนี่แหละให้เรา ละการกระทำบาปและละการเสพอบายามุกต่างๆ mm hmm. เลิกเดินสชลายาเมาหรือของบุญเมาเช่นยาเสพติดชนิดต่างๆ mm hmm. แล้วก็เลิกเล่นการพนัน mm hmm. เลิกเที่ยวแต่เลิกความเกลียดค้านแล้วก็เลิกคบกับคนที่ชอบอบายามุกเป็นนิย นี่สิ่งที่เราจะต้องทำแล้วก็มาเลิก ก, การกระทาบาปเลิกฆ่าสัตว์เลิก ร, เลกรักทรัพย์เลิกประพฤติประเคนีเลิกพูดปลดโกหกหลอกลวงถ้าเราสามารถยุติการกระทาเหล่านี้ได้เราก็จะสามารถปิดประตูบายได้ตายไปเราก็จะไม่ต้องไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์ เราจะได้ไปอยู่ที่เป็นอิสระที่เราสามารถไปหาความสุขในระดับต่างๆได้นี่คือข้อที่หนึ่ง <c oughs> ที่พระเจ้า ต, ต้องการให้พวกเราทำกันเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองเพื่อพวกเราจะได้ไม่ต้องไป <c oughs> ติดคุกติดตารางไปทุกู่กับการอยู่ในคุกในตารางนี่คือ ข้อที่หนึ่งหลังจากที่เราทำข้อที่หนึ่งได้ก็ให้ทำข้อที่สองคือให้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลชนิดต่างๆทำบุญชนิดต่างๆกันเพราะการทำบุญนี้จะทำให้เราได้ไปสู่สวรรค์<ๆ>ไปสู่ที่ที่มีความสุขสวรรค์ระดับเทพ<ๆ>เาเรียกว่าสวรรค์ที่เกิดจากการทำบุญทำกุศลต่างๆ ทำบุญทำทานได้ทุกรูปแบบทำบุญกับใครก็ได้ทำบุญกับพ่อแม่ก่อนต่อให้เราทำบุญกับผู้มีพระคุณผู้ทำบุญกับพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีแล้วก็ตอบแทนบุญคุณให้กับครูบาอาจารย์ต่างๆถ้าครูบาอาจารย์คนไหนที่เราเคยเรียนได้ความรู้ได้รับความรู้จากท่าน ท่านตกทุกข์ยากลำบากก็ไปดูแลท่านไปช่วยเหลือกัน mm. แล้วก็มาดูแลครูบาอาจารย์ทางพระพุทธศาสนา mm. ก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์เจ้านี้เป็นผู้ที่มาศึกษาพราะธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนสามารถรู้รู้จริงเห็นจริงตามที่พพุทธเจ้า และถ้าสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้พอท่านได้รู้จริงเห็นจริงเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นแล้วท่านก็จะได้เอาความรู้อันนี้ <c oughs> มาสั่งสอนพวกเราต่อไปนะั่นเองแต่ถ้าเหล่านี้ท่านก็ไม่มีรายได้ท่านไม่มีอาชีพทำมาหากินเหมือนพวกเราท่านก็ต้องอาศัย การดูแลของพวกเราการทำบุญทำทางของพวกเรา mm hmm. เราถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องไปทำหน้าที่ของชาวพุทธไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา mm hmm. ให้พระที่มาบวชในพระพุทธศาสนานั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ของท่านได้คือศึกษาปฏิบัติและบรรลุ ธ, ธรรมแล้วนำเอาธรรมที่ท่านได้บรรลุนั้นมาเผยแพร่ มาสั่งสอนให้กับผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราต่อไป <Yeah. S 1> เราต้องทำในฐานะชาวพุทธเราต้องดูแลพระพุทธศาสนา <Yeah. S 1> ดูแลผู้ที่มาปฏิบัติมาบวชในศาสนาที่ทำหน้าที่ของผู้ที่มาบวชอย่างถูกต้องอย่า yeah. <Yeah. S 1> ไปไม่จาเป็นจะต้องไปทากับพระทุกรูป บางรูปเราอาจจะไม่ศรัทธาเพราะท่านไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าให้เราทํานุบํารุงพระสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระที่สมควรต่อการให้ความเคารพ เป็นพระที่สมควรต่อการให้ความนับถือเป็นพระที่สมควรต่อการถวายออจตุปัจจัยออสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นที่วอนอาหารบิณฑบาตออที่อยู่อาศัยพุทธิยารักษาโรคต่างๆเออพราะท่านทำหน้าที่ของท่านออท่านทำหน้าที่ที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับ พวกเราอีกทีนึงพวกเราถ้าไม่มีพระสุปฏิปันโนมาเผยแร่ธรรมะอันบําเสฐเราก็จะไม่มีาศาสนาพุทธเป็นที่ครึ่องอีกก็ได้ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ถ้าไม่มีพระที่รู้จริง <c oughs> เห็นจริง <c oughs> ต่อไปาศาสนาก็ต้องล้มอยู่ไม่ได้เพราะจะไม่มีใครเขาศรัทธา เพราะว่าเมื่อไม่รู้จริงเห็นจริงก็จะไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ก่อยการเสริมศรัทธาในผู้ที่มีศรัทธาหรือไม่ได้สร้างศรัทธาให้กับผู้ที่ไม่มีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต่อไปศาสนาก็จะต้องหมดไปแต่ถ้าตราบใดยังมีการ มีผู้ที่มาบวชมาศึกษามาปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดจนสามารถบรรลุเป็นพระสุปฏิปันโนในระดับต่างๆได้ mm hmm. แล้วนำเอาธรรมะอันวิเศษที่ได้ปฏิบัติได้บรรลุนี้เอามาเผยแพ่สั่งสอนใครที่ได้ยินได้ฟังทรมันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้ว จะอดที่จะเกิดศรัทธาขึ้นมาไม่ได้ mm hmm. แล้วก็จะเกิดความย mm hmm. ินดีที่จะอุปธรรมอุปถาพระที่ปฏิบัติดีทั้งหลาย mm hmm. ลอันนี้เป็นการทาบุญ ท, ทาทานที่ถูกต้อง mm hmm. ทำกับบุคคลที่เราควรกระทำก่อน mm hmm. คือบุคคลที่มีพระคุณต่อเรานั่นเอง mm hmm. เช่นบิดามารดา mm hmm. หรือครูบาอาจารย์ที่เราเรียนทางโลกตามโรงเรียนต่างๆหรือครูบาอาจารย์ที่เราเรียนทางธรรมถ้าเราอาจจะมีโอกาสได้มาบวชอยู่กับวดดัดใดวัดหนึ่งเราได้รู้จักกับพระครูบาอาจารย์ในวัดนั้นๆล้ว เ, เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเราก็อยากจะไปทำบุญกับท่านไปสนับสนุนให้ท่านได้อยู่อย่าง สบายไม่อัตคัดขัดสนไม่เดือดร้อนให้ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านได้อย่างเต็มที่นี่เรื่องของการทาบุญเบื้องต้นให้เราทำบุญกับบุคคลที่มีพระคุณกับเราและบุคคลที่ทำคุณทำประโยชน์ให้กับเราและกับผู้อื่นกับสังคมหลังจากนั้นเราจะไปทำกับที่อื่นต่อก็ได้ เช่นโรงเรียนที่เราไปเรียนอยู่ถ้าเป็นโรงเรียนที่ยากจนถ้าเรามีฐานะดีเราอาจจะไปช่วยพัฒนาช่วยช่วยยกระดับการโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีฐานะที่ดีขึ้นก็ได้โ<ม>ดยการบริจาคทรัพย์<ม>ทำบุญทำทางกับโรงเรียน<ม>หรือถ้าเราเห็นว่าโรงพยาบาล น, นี้ก็ทําหน้าที่ที่ดีเป็นที่พึ่งของ คนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปพึ่งโรงพยาบาลกันโรงพยาบาลก็อย่างที่เห็นหมอก็น้อยพยาบาลก็น้อยยาก็น้อยแต่คนไข้ก็เยอะคนไขน้นั่งรอกันเป็นคิวยาวเหยียดหมอก็น่าสงสารหมอก็ต้องคอยดูแลคนไข้หมอก็น้อย ถ้าเราสามารถที่จะไปช่วยบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลให้สวัสดิการของหมอของพยาบาลเขาดีขึ้น ใ, ให้เขามีกําลังจิตกําลังใจไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหนีไปอยู่กับโรงพยาบาลเอกชนกันหมดเพราะโรงพยาบาลเอกชนนี้ให้ให้รายได้ดีกว่าหลายเท่าด้วยกันแต่หมอบางคนพยาบาลบางคนเขาก็มีอุดมการณเขามา เป็นหมอเป็นพยาบาลเพื่อมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาไม่ได้มาหวังดูดเลือดของเพื่อของคนคนเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเขาอยากจะดูดเลือดของคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือดูดเงินทองของคนเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนกันพราโรงพยาบาลเอกชนนี้จะมีคนที่มีเงินมีทองไปให้เขาดูดเงินได้แต่ถ้าโรงพยาบาลรัฐบาลนี้ ไม่มีคนที่ไปในรักษานี้ไม่มีเงินทาให้หมอเขาดูดกันแต่ที่เขาอยู่กันเพราะเขามีอุตมกาลเขามีเป้าหมายของชีวิตเขาว่าเขาต้องการจะทาบุญทาประโยชน์ให้กับสังคมเขาต้องการที่จะทำบุญทําทานเขาอยางไปบวชไม่ได้ก็ขอให้เขาได้ทำบุญให้เขาได้มีทำเป็นผู้เสียสะละใน ในค่าบของแพทย์ของพยาบาลไปก่อนบุคคลเหล่านี้นะเป็นบุคคลที่น่ายกย่องน่าสนับสนุนถ้าเรารู้ว่ามีโรงพยาบาลที่ขาดแคลนแล้วมีแพทย์มีพยาบาลที่ดีที่อุทิศชีวิตให้กับการเลี้ยงดูรักษาคนไข้เนี่ยที่ยากจนเราก็ไปทำบุญกับลงพยาบาลก็ได้ โรงพยาบาลอาจจะขาดแคลนเครื่องมือต่างๆเราก็ไปซื้อเครื่องมือแพทย์มาช่วยกันเครื่องเอ็กซเรย์เครื่อ ง, X ray, องทําฟันเครื่องอะไรต่างๆซึ่งบางทีงบประมาณมันมีน้อยขอมาขอไปก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีให้มาเราก็ไปช่วยกันบริจาคของที่จําเป็นต่อการใช้การในการรักษาพยาบาลคนเจ็บคนไข้ อันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันบุญนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ ว, ว่าจะต้องทำกับวัดเพียงอย่างเดียวถึงจะได้บุญทำกับใครก็ได้ทำคุณทำประโยชน์กับใครก็ได้ได้บุญเหมือนกันได้ไปสวรรค์ที่เดียวกันไปโลกทิศระดับไปสวรรค์ชั้นเทพกันอั น, นนี้เป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งที่เราจะสามารถไปกันได้ด้วยการ จะทำตามที่พระเจ้าทรงสอนในข้อที่สองก็คือให้เร า, เา <c oughs> ให้เราสร้างบุญสร้างกุศลชนิดต่างๆให้ถึงพร้อแล้วแต่ที่เราจะจะพอใจเราชอบทําบุญแบบไหนเราก็ทําบุญแบบนั้นไปทําบุญกับพ่อกับแม่ทําบุญกับครูบาอาจารย์ทําบุญกับวัดวารามทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับโรงเรียน หรือถ้าเรายังชอบทำบุญกับสัตว์ก็ไปถ่ายถ่ายชีวิตวัวควายก็ได้หรือไปถ่ายชีวิตของนกของปลาไปซื้อปลาที่เขาจะฆ่านี้ไปปล่อยปล่อยปลาปล่อยอะไรไปช่วยให้เขามีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันหรือเราสงสารสุนักจินจัด เห็นไม่มีอาหารเราก็คอยไปหาอาหารมาเลี้ยงมันตามจุดต่างๆที่มันอยู่กันให้มันมีอาหารกินเพราะมันก็เหมือนเรามันก็หิวได้เหมือนกันเราก็หิวได้อาหารก็ทำให้มันอิ่มได้วันนั้นอิ่มเราเห็นมันอิ่มเราก็จะมีความสุขความสุขนี่แหละก็คือบุญบุญที่จะพาให้เราไปสวรรค์กันต่อไป เวลาที่ร่างกายนี้เราตายไปแล้วนี่เป็นการเตรียมทำทาวีซา่าเตรียมซื้อตั๋วเครื่องบินไปสู่สวรรค์ชั้นเทพการจะไปสวรรค์ชั้นเทพ น, นี้ต้องเกิดจากการทาบุญทาทานการเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่นี้นเงินทองที่เรามีอยู่นี้บางทีเราเอาไปใช้ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์กับจิตใจของเรา แทนที่จะเป็นประโยชน์เหมือนกับเป็นโทษกับใจของเราเสียด้วยซ้ําไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเช่นถ้าเราเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอันนี้แหละเป็นการไปสร้างทำทำร้ายตัวเราเองทําร้ายใจของเราโดยไม่รู้สึกตัวเพราะการไปเสบลูกเสียงกิ่นล้นี้เป็นเหมือนกับการไปเสพยาเสบติด ถ้าเราไปเสพลูเสียงกิน่นรสไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราซื้อของแบรนด์เอซื้อของที่ไม่จาเป็นนะการใช้เงินซื้อความสุขเหล่านี้เป็นการเหมือนซื้อยาเสพติดซื้อแล้วมันจะติดนะเวลาไ ม, ม่เวลาไม่ได้ซื้อมันจะทุกข์ คนที่ติดของเนี่ยต้องคอยซื้ออยู่เรื่อยๆคนที่ติดกระเป๋าเนี่ยต้องคอยดูกระเป๋ารุ่นใหม่ออกมาหรือยังแล้วก็ไปซื้อแล้วก็ไปทำห้องเก็บกระเป๋าอวดเพื่อนเนี่ยห้องนี้กระเป๋าสาม40ี่ห้าสิบใบร้อยใบซื้อมาทำไมได้อะไรเงินที่ซื้อของเหล่านี้เอาไปทำคุณทำประโยชน์ไปช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ ได้ยากจะดีกว่าได้บุญแต่การที่เราไปซื้อของเหล่านี้มันได้ยาเสพติดมันมันจะกลายเป็นคนติดยาไปเวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้ซื้อของเหล่านี้มันจะทำให้ใจทุกข์ใจหงุดหงิดใจลำคาใจไม่มีความสุขดะนั้น <c oughs> นี่คือการหาความสุขด้วยเงินทองของที่พวกเรามีอยู่ให้รู้จักหา อาชนิตแบบที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจเพราะตายไปเนี่ยเราถ้าเราเอาเอาไปใช้กับการทําบุญเนี่ยมันจะเป็นบุญพาเราไปสวรรค์แต่ถ้าเราใช้กับการซื้อของเสพติดนีมน่มันไม่ได้พาเราไปสวรรค์เลยไปไม่ได้เพราะไม่มีมันไม่มีมันไม่ใช่บุญมันทําให้เรากลายเป็นคนเล่ร่อนไปกลายเป็นคนขอทานไปคนที่ไม่มีบุญ อันนี้ต้องระมัดระวังต้องคิดให้ดีเงินทองที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนดาบสองคมถ้าไม่รู้จักใช้มันใช้ไปในทางที่ผิดก็เป็นโทษจอดจิตใจได้ใช้ไปใช้ไปในทางที่ถูกก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ต <Yeah. S 1> ่อจิตใจพระเจ้าถึงสอนให้เราเอาเงินทองนี้ไปใช้ในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ดือการสร้างบุญสร้างกุศลชนิดต่างๆรูปแบบต่างๆ อย่าเอาเงินไปซื้อยาเสพติดกันมันจะทาให้เราติดแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญกันเพราะเมื่อเราเอาเงินไปซื้อแต่สิ่งที่เป็นยาเสพติดเราก็จะไม่เอาเงินไปทำบุญ <c oughs> พอตายไปเราก็ไปสวรรค์ไม่ได้ไปสวรรค์ชั้นเทพไม่ได้เง <c oughs> ินทองที่เรามีที่ควรจะส่งให้เราไปสวรรค์ชั้นเทพ เราก็จะไม่ได้ไปเหมือนกับเราไม่ได้เอาเงินไปซื้อตัว๋วไปทําวีซ่าไปไปแลกเปลี่ยนเงิ น, งนตราของประเทศที่เราจะไปพอถึงเวลาออกนอกประเทศเราก็ไม่มีอะไรติดตัวไปอนี่คือบุญที่เราข้อสองที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราทํากันข้อแรกให้เราละ ก, การกระทําบาปทั้งหลายทั้งปวง ละเวณบายามุกละการทําบาปแล้วก็มาทําบุญกันทําบุญชนิดต่างๆด้วยเงินทองที่เรามีอยู่มีเงินทองอย่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าเอาไปซื้อของไปเสพรูปเสียงกิน่นรสไปดูไปฟังไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรมันเป็นสวรรค์ชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราว ได้มาแล้วก็หมดไปไม่ติดค้างอยู่ในใจเหมือนกับบุญบุญนี่เป็นเป็นเป็นสวรรค์ที่ติดอยู่กับใจเวลาตายไปบุญนี้ก็จะกลายเป็นสวรรค์ขึ้นมา <c oughs> นี่คือข้อที่สองถ้าเราจะไปโลกทิพย์เนี่ยเรามีที่เราเลือกไปได้สองที่แล้วที่แรกเราไม่ไปก็คืออบายเราปิดประตูอบายกันด้วยการไม่กระทำบาปไม่ด้วยการไม่เสพอบายมุก แล้วเราก็ไปสวรรค์ชั้นต้นก่อนก่อนที่เราจะไปสวรรค์ที่สูงกว่านี้ได้เราต้องผ่านสวรรค์ชั้นแรกรอ์ชั้นแรกก็คือสวรรค์ชั้นเทพด้วยการทาบุญทงทานพอเราได้สวรรค์ชั้นเทพแล้วเราอยากจะได้สวรรค์ที่สูงกว่าที่ดีกว่าก็มีสวรรค์อีกสองชั้นด้วยกันสวรรค์ของชั้นโพลมแล้วก็สวรรค์ของพระพระอริยเจ้า อันนี้ก็จะต้องมีการกระทาข้อที่สามการกระทาข้อที่สามนี้ท่านเรียกว่าให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระใจเพราะใจตอนนี้ไม่สะอาดสิ่งที่ทำให้ใจไม่สะอาดที่ต้องชำระคือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่จะคอยมาสร้างความทุกข์ให้กับใจที่จะมาคอย สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจอยู่เรื่อยๆต้องมาชำระมันกำจัดมันให้หมดไปให้ได้ด้วยวิธีการปฏิบัติวิธีชำระใจนี้พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าคือการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนานี่เองนี่คือเครื่องซักฟอกใจการภาวนานี้เป็นการซักฟอกใจเ ป, เ, ปเป็นเหมือนเครื่องซักผ้า เวลาเสื้อผ้าเราสกรปรกนี่ <c oughs> เราก็เอาเสื้อผ้าใส่เข้าไปในตู้ตู้ซักผ้าแล้วก็เปิดสวิสใส่น้ำยาใส่อะไรจำที่จะต้องใส่เข้าไปแล้วก็เปิดสวิส <c oughs> เครื่องมันก็จะทำงานอัตโนมัติ <c oughs> ทำเสร็จ <c oughs> มันก็จะหยุดเราก็จะได้เสื้อผ้าที่สะอาด <c oughs> สิ่งสกรปรกที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าก็จะถูกซักออกไป ใจของพวกเราตอนนี้ถึงแม้จะได้ไปเป็นเทพถึงแม้จะได้สวรรค์ชั้นชั้นเทพแต่มันก็ยังไม่มีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์ันก็ยังมีความชุบมีความวุ่นวายใจพอสมควรที่ติดอยู่ที่เกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงนี่เองที่มันไม่ได้ตายไปกับการทำบุญต่างๆเราถ้าเราอยากจะให้ตัวที่ยังมาก่อกวนมาสร้างความวุ่นวายใจ สร้างความไม่สบายใจให้กับเราเพื่อให้ใจเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นมากยิ่งกว่าความสุขที่เรามีอยู่ของในระดับเทพนี่เราก็ต้องมาหัดภาวนากันเบื <c oughs> <c oughs> ้องต้นเราก็มาภาวนาขั้นที่หนึ่งคือมาสร้างสวรรค์ชั้นพรมก่อนถ้าสวรรค์ชั้นพรมวิธีสร้างสวรรค์ชั้นพรมขั้นที่หนึ่งนี้เราเรียกว่าเราใช้การภาวนาที่เรียกว่าสมถภาวนา <c oughs> ธมะ ภ, า, ภ า, าวนานี้แปลว่าการทำใจให้สงบการทำให้การเอากิเลสออกจากใจแบบชั่วคราวไปก่อนยังไม่สามารถกำจัดกิเลสแบบถาวรได้แต่เป็นการชำระกิเลสแบบชั่วคราวก่อนด้วยการฝึกสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ เพราะความคิดนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงนั่นเองเวลาที่เราไม่คิดนี้ความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นมาไม่ได้แต่พอเราคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมากิเลสมันก็จะเกิดขึ้นมาคือความอยากอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีเวลามันปรากฏขึ้นมามันก็จะทาให้ใจเราวุ่นวายทาให้ใจเราไม่มีความสุข แต่ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้ไม่คิดถึงรูปเสียงกดลิ่นรสได้ความอยากได้อยากจะเสพรูปเสียงกดลดิ่นรสมันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ <c oughs> นี่คือวิธีขั้นขั้นแรกการชำระกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้ชำระด้วยการหยุดความคิดด้วยการฝึกสติด้วยการเจริญสติการจะเจริญสติก็คือการ ให้ใจเรานี้มีอะไรคอยคอยเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นเช่นให้เราคิดถึงคำบริกรรมพุทธโธเนี่ยถ้าเรามีพุทธโธนี้เราเรียกว่าเรากาลังจเจริญพุทธานุสติมีการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจเนี่ยถ้าใจเราไม่ยึดเหนี่ยวมันจะลอยไปตามความคิดต่าง คิดถึงรูปบ้างคิดถึงเสียงคิดถึงกลิ่นคิดถึงรสคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงที่เที่ยวที่นั่นที่นี่คิดถึงกระเป๋าคิดถึงรองเท้าคิดถึงอะไรพอคิดแล้วก็เกิดความโลภความอยากได้ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีที่ยึดเหนี่ยวไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดมันจะคิดอะไรเราอย่าไปสนใจให้เรามายึดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธ ใหม่ๆเราพุโทโธนี้เราจะหยุดความคิดเลยไม่ได้หรอกมันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลามากและต้องทําการเจริญสติพุโทโธนี้จะต้องมีการกระทําอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องทุกระยะเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเราหลับมันถึงจะสามารถที่จะหยุดความคิดต่างๆได้นะ ถ้าจะมาเจริญพุทธานุสติเฉพาะช่วงที่เรามานั่งสมาธิอย่างเดียวนี้มันกำลังไม่พอเรานั่งพุทธโธไปความคิดถึงลูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสมันก็มาอยู่เรื่อยๆคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆคนส่วนใหญ่จึงนั่งสมาธิกันไม่ได้เพราะนั่งแล้วใจมันฟุ้งซ่านใจมันไม่นิ่งใจมันไม่สงบ ก็เพราะว่าสติไม่มีกำลังพอเพราะฉะนั้นต้องมาฝึกสติให้มีกำลังมากๆกก่อนถึงจะมานั่งได้ต้องฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเพราะการฝึกสตินี้เรามีเวลาฝึกได้เยอะในแต่ละวันในช่วงของเวลาแต่ละวันโดยเฉพาะช่วงตอนตื่นเช้าขึ้นมานี้ตอนที่เรายังอยู่คนเดียวไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครตอนที่เราตื่นขึ้นมาเริ่มไปเตรียมตัว ล้าอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวนี่เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถจเจริญพุทธานุสติได้อย่างสบายย่างได้อย่างง่ายดายพอลืมตาขึ้นมาปุ๊บก็พุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ปกติถ้าเราไม่มีพุโทโธนี้พอตื่นขึ้นมาใจก็เริ่มคิดแล้วคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็อยากได้ละ อยากไปนูน่นอยากมานี่อยากไปทำนูน่นอยากไปทำนี่ขึ้นมาทันทีข อ, อให้เรามาเริ่มฝึกสติกันก่อนเพราะถ้าเรามีสติแล้วเราจะหยุดความคิดได้ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดกิเลสตัณหาความอยากได้เท่ากับการไปการชำระกิเลสตัณหาแบบชั่วคราวไปก่อนเพราะสตินี้ยังไม่สามารถที่จะกําจัดความโลภความโกรธความหลงได้ตลอดเวลา เวลาที่เราปล่อยให้ใจคิดเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเผลอเราไม่คุมมันมันก็จะไปคิดทางทางกิเลสทางความโลภความอยากต่อไปอยู่เรื่อยๆแต่อย่างน้อยถ้าเรามีสติขอยหยุดมันมันก็มันก็ลามตามไปไม่ได้พอเรารู้ว่าเราเริ่มคิดไปทางความโลภความอยากแล้วเราก็ใช้พุทธานุสติกลับมาหยุดมันได้พุทโธพุทโธพุทโธไปสักระยะหนึ่ง ความอยากจะไปเที่ยวก็หยุดไปความอยากที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็จะหยุดไปความอยากที่จะไปดูไปฟังอะไรก็จะหยุดได้ถ้าเรารู้จักการใช้พุโทโธการจะใช้พุโทโธเป็นนี่เราต้องฝึกใช้ต้องหัดใช้อยู่เรื่อยๆใช้อยู่บ่อยๆเหมือนกับการหัดพิมพ์ดีดนี่การที่เราจะพิมพ์ดีดได้อย่างชำนาญ น, นี้ก็อาศัยการฝึกฝนนี่เอง ถ้าใหม่ๆถ้าเราไม่เคยพิมพ์ดีดมากก่อนนี้เราจะพิมไม่ได้เราจะต้องคอยจิ้มนิ้วเอาทีละนิ้วต้องคอยดูแป้นแต่ถ้าเราฝึกหัดพิมดีดแบบสัมผัสแล้วหัดไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเกิดความชนานาญสามารถที่จะพิมพ์ดีดโดยที่ไม่ต้องมองดูแป้นได้เลยต้องการจะพิมพ์อะไรเราก็รู้ทันทีเพราะนิ้วเรานี่มันคอยถูกสอนให้ให้กดแป้นที่เราต้องการให้มันกด การใช้พุทโธก็แบบเดียวกันการใช้พุทโธอยู่การคิดเราต้องพยายามทำให้มากๆทำให้มาบ่อยๆในแต่ละในชีวิตประจำวันของเรา <S 2> <S 2> <S แล้วพอเวลาที่เราอยากจะมานั่งสมาธินี่เราจะรู้สึกว่านั่งได้ง่ายใจจะไม่ฟุ้งซ่าน <C> uh> นั่งเราจะทำให้ใจของเราสงบได้นี่คือการการเจริญสติ เพื่อหยุดความคิดเพื่อชำระกิเลสความลักความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆไว้ชั่วคราวถ้าเรามีสติเราสามารถหยุดความคิดได้เราสามารถหยุดความอยากได้ถ้าเราทําให้มีสติทําให้ใจหยุดคิดได้เป็นระยะหนึ่งใจก็จะนิ่งเป็นฌานขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาใจก็จะนิ่งเฉยๆตอนนั้นไม่ต้องใช้สติ เพราะว่ามันหยุดคิดของมันแล้วเพราะถูกกำลังของสติกดไว้จนกระทั่งมันไม่คิดเวลาจิตหยุดคิดมันก็จะเข้าฌานเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วมันก็จะเกเจอกับความสุขของสมาธิอันนั้นหละคือสวรรค์ชั้นพรหมความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขในระดับเทพเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่าง เมื่อเราได้เข้าถึงระดับความสุขระดับพรหมแล้วเราก็จะไม่สนใจกับความสุขระดับเทพนะ<ม>นี่พอเราออกจากสมาธิมาเนี<ม>่ยถ้าความอยากที่จะไปหาความสุขระดับรูปเสียงกลิ่นรสมันยังยังไม่ได้ถูกทําลาย ม, มันเพียงถูกกดเอาไว้แต่อย่างน้อยเรารู้ความแตกต่างแล้วว่าระหว่างความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันต่างกันอย่างไร เราก็สามารถปฏิบัติทำขั้นที่สองได้ที่เรียกว่าสมา ว, วิปัสสนาภาวนาคือมาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่กิเลสคือความโลภความอยากต้องการนี้มันเป็นของปลอมเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอและเป็นความสุขที่จางหายไปได้อย่างรวดเร็ว เวลามันหายไปความสุขที่ได้ก็หายไปสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจนี่คือสอนสอนใจให้เห็นว่ารูปเสียงกินรสลาบยศฉละเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นของที่เราสั่งไปควบคุมให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไปได้นี่เรียกว่าวิปัสสนา ต้องทําเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วไม่ใช่ทําตอนที่เรานั่งสมาธิพอจากสมาธิมาพอเกิดความโลภในราบยศสระเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสเราก็สอนให้เราหยุดมันด้วยด้วยปัญญาคือให้เห็นว่ามันเป็นตายลักเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่อกาวเป็นความสุขที่เราไม่สามารถจั่งให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอด ไม่ช้าก็เร็ววันดีคนดีมันก็จะจางหายไป mm. ถ้าเราเห็นสิ่งที่เราพิเรย์อยากได้เป็นตายรักเราก็จะหยุดความอยากเหล่านั้นได้ mm. เพราะมันมันเป็นการไปหาความทุกข์ดีๆนี่เองไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขเ mm. พอเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันแทนที่จะเป็นความสุขมันจะกลายเป็นความทุกข์เราก็หยุดอยาก mm. ต่อไปความอยากได้สิ่ ง, งต่างๆก็หมดไป พอหมดไปใจของเราก็ได้สวรรค์ชั้นพระ อ, อริยเจ้าชั้นของพระพุทธเจ้าคือได้สวรรค์ก็คือพระนิพพานนี่ เ, เป็นรางวัล น, นี่คือสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วถ้าเรามีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนเราก็จะได้ไปตามจุดที่เราต้องการไปได้เบื้องต้นเราก็ปิดประตวบายเมื่อการไม่การกระทำบาปทั้งปวง แล้วเราก็ขึ้นไปสัมผัสกับสวรรค์ชั้นเทพก่อนด้วยการทําบุญทำทานต่างๆแล้วจากนั้นเราก็ไปสู่ขั้นสูงต่อไปคือขั้นภาวนาขั้นสวรรค์ชั้นพรมและสวรรค์ชั้นพระอริยบุคคลด้วยการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามลําดับเราก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือพระนิพพาน เป็นจุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะรีบเตรียมตัวกันเพราะวันใดวันหนึ่งนี้เราอาจจะต้องออกเดินทางโดยที่เราไม่ได้คาดฝันมาก่อนนั้นเตรียมกระเป๋าเดินทางไว้นะเตรียมหนังสือเดินทางเตรียมวีซ่าเตรียมพาสปอร์ตเตรียมเงินเตรียมทองเอาไว้พอเมื่อถึงเวลาก็อย่าได้ขึ้นเครื่องไปได้เลยถ้าไม่เตรียมไปแล้วมันจะฉุกกระหึ่ม จะไปแบบทุกข์ยากลำบากจะไปแบบพวกที่ไปอยู่ตามค่าย อ, อพยพต่างๆนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวะหาปุราปารปิเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ เอจิตังปะทิตังตุมหังคิดรปเมวะสมิจจตุสัพเพภุริตุสังกปา จันโทปะนะราโสยถามณนิโชติอราโสยถาสัพพิติโยวิวัชยันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตผวตวันตรายุสุขีทีขายุโกผวะอภิวาทานาสีลิสะนิจจังวุทาปะจายโน จตารตมะวันติอายวันสุขังฮาลาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่เราจะได้ถามตอบได้คุยกันเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวก ดังนั้นใครอยากจะถามนายขอเชิญถามในช่วงนี้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ครับนักปการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะจากเฟซบุ o กพระอาจารย์480ท่าน YouTube 317ท่านทางช่องด r V c h a n ร e l ชา88ท่านวิดยุอออนไลน์7ท่านครับเฮา6ท่าน นาคุติหนึ่ง้ยสิสี่ท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันสิบสองท่านเจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมา น, นาคุติเจ้าค่ะว่าวิธีแก้จิตตกควรทำอย่างไรครับเขายกมันขึ้นมาสิมันตกก็ดึงมันขึ้นมายกมันขึ้นมาด้วยชาติเนะไยช้ติเนี่ยชาติเป็นเหมือนกับเป็นลิฟนะ เปนเหมือนเวลาที่จะยกรถเนี่ยเขาเวลาเปลี่ยนยางเขามีแม่แรงใช่ไหมใช้แม่แรงยกล้อขึ้นมาจิตตกก็ต้องใช้สติที่มันตกเพราะสติมันเถลอมันหายไปใช้สติดึงกลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าใช้ความอยากยิ่งอยากยิ่งตกใหญ่บนะางคนเคยได้สมาธิแล้วพอพอไม่ได้ก็ เกิดความอยากอยากได้ท่า น, นี้นั่งสมาธิด้วยพุโทโธพุธโทโธกลับไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบอยากให้มันสงบเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยยิ่งอยากยิ่งไม่สงบใหญ่ถ้าอยากจะให้มันกลับไปสู่ความสงบต้องใช้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธกลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์หน่อยคือสติสติเป็นที่ตั้งหลักของใจพอรู้สึกว่า ใจเสียใจเสียหลักใจเสียอะไรให้กลับไปที่พุโทโธพุทโธทันทีเลยให้อยู่กับพุโทโธพุทโธอย่าไปอยากให้มันอยากให้มันอยากใ ห, player, ให้มันเป็นเหมือนเคยที่เป็นความอยากมันไม่ได้ทําให้มันเป็นะสิ่งที่จะทำให้มันเป็นเหมือนที่เคยที่เป็นก็คือสติก็คือพุทโธพุทโธพุทโธคไปคํำถามต่อไปเช้าค่ะ มีคนให้บูชาพญานาคจึงอยากเรียนสอบถามว่าพญานาคอยู่ในกลุ่มพบภูมิไหนเป็นเทพหรือเปล่าครับควรบูชาหรือไม่ครับเราไม่รู้หรอกสิ่งที่ควรบูชาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น คำถามจากคุณพิมพิศาเจ้าค่ะกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าจะเริ่มต้นปฏิบัตินั่งสมาธิควรต้องเริ่มอย่างไรเจ้าคะก็เริ่มด้วยพุทโธนี่แหละฝึกผ่านพุทโธก่อนที่จะมานั่งเลยฝกพุทโธตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเวลาที่เราไปเตรียมตัวไปไหนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวร้วประทานอาหารก็พุทโธพุทโธไป อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยไปแล้วเวลามานั่งสมาธิก็นั่งพุทธับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอย้งท่านั้นง่ายๆไม่ยากเลยคำถาบจากคุณอังคณากราบนามาซากาม ร, ราชานการทำบุญทานโดยจิตใจไม่ได้อธิษฐานหรือคิดว่าจะได้อะไรจากการทำบุญนั้น ถามว่าบุญนั้นจะยังบังเกิดแก่เจ้าของหรือไม่เจ้าขาการนำบุญไม่ได้อยู่ที่อธิษฐานทำบุญถ้าทำมันก็ได้บุญถ้าไม่ทำก็ไม่ได้บุญอธิษฐานแล้วไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้บุญมันอยู่ที่การทำบุญหรือไม่ทำบุญไม่ได้อยู่ที่อธิษฐานหรือไม่อธิษฐาน คำถามจากคุณจรัญญาขออนุญาตฝากคำถามนะคะโยมปฏิบัติมาถึงจุดที่เข้าใจว่าเราต้องมีสติดูใจตัวเองว่าตอนนี้มีอารมณ์อะไร อารมณ์โลภหรือโกรธส่วนมากเกิดจากความคิดพอเจอสิ่งกระทบก็จะมีการตอบสนองเกิดขึ้นเช่นอยากได้หรือไม่พอใจพอเจอสิ่งกระทบโยมก็จะเบรกใจตัวเองว่าไม่ให้คิดปุงแต่งต่อก็จะห้ามใจตัวเองไว้ค่ะไม่ให้ไปหลงความพอใจหรือไม่พอใจและโยมก็บอกตัวเองมาเรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ถาวรไม่เป็นแบบนี้ตลอดเดียวเดี๋ยวก็สลาย ไปโยมพิจารณาถูกต้องหรือเปล่าคะกราบขอพระคุณคะ่ะถูกต้องทุกอย่างไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างให้ปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดเดียเวลาเขาต า, ตายจากเราไปเราจะได้ไม่ร้องหม่มร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา คำถามจาก youtube เจ้าค่ะจากคุณดี c Channel กราบนมัส ก, การค่ะเหมือนประมาณว่าเขาไปถือศีลแปดอยู่ในวัดหลายปีเจ้าค่ะพอมาดูแลแม่ที่บ้านถือว่าเราไปนี่วัดไหมคะต้องไปใช้นี่วัดใหมคะไม่หรอกถ้าเราอยู่ที่วัดเราทําหน้าที่ในขณะที่เราอยู่ที่วัดเราก็ได้ใช้นีววัดไปในตัวอยู่แล้ว มีคำถามจาก facebook เจ้าค่ะแกรบนรัสการ์พระชาารเราควรวางใจกับพี่น้องที่มีมิจฉาทิฐีแต่ต้องมีเหตุให้มาเจอกันอยู่เป็นประจำครับก็ก็เข้าใจเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะเป็นคนแบบนี้ก็ปล่อยเขาเป็นคนแบบนี้ไปเราจะไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นอีกแบบหนึง่งไม่ได้ มันเขาเป็นกล้วยเราอยากจะบ้าน้เขาเป็นส้มมันไม่ได้หรอกเเป็นกล้วยก็ให้ก็อยู่กับอยู่กับการเป็นกล้วยของเขาไปยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะอืมไม่นี้ก็จะได้เลิกกันแล้วนะโอเคนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจิตรณาไปปฏิบัติ